สวดมนต์ขอพรวอนฟ้าขอนิตราแนบเธอนิรัน์ถอดหัวใจใยสัมพันธ์ฝากกันจะเป็นการเวลาใดเมื่อไรและอย่างไรดารินวราฤทธิ์ไม่อาจรหนักได้ แต่หลอนสำเนียกเสียงลำนำข้อความของเพลงบทที่หลอนจำได้อย่างไม่มีวันลืมเลือนไปได้เว่ยแววทุ้มลึกเข้ามาสัมผัสในดวงจิตอีกวาระหนึ่งมันเป็นลำนำเพลงบทเดียวกันกับที่หลอนสดับได้ในราตรีหนึ่งขณะที่นอนหลับอยู่บนฟูกนุ่มในคฤหาด และมองเห็นแง่ทรายในฝันเข้ามาบอกความเกี่ยวกับการต้องพลัดพรากจากไปของรพินไพรวันและได้ขอร้องให้หลอนออกตปตามจนเป็นเหตุให้ต้องตื่นพรวดพราดขึ้นกลางดึกของคืนนั้นโดยไม่ได้หลับอีกเลยจนรุ่งเช้าและเมื่อได้มีการสอบถามด่วนโดยโทรศัพท์ทางไกลไปยังนายอัมพลจึงได้ทราบความจริงว่า เขาผู้นั้นมีความจำเป็นจะต้องออกป่าไปอย่างไม่รู้อนาคตจนเป็นเหตุให้หล่อนต้องออกติดตามเช่นดี๋ยวนี้หนังตาของดารินหนักอึง้งอยากจะเปิดขึ้นแต่ก็ไม่อาจจะทำได้มือไม้แขนขาชาดิกไปหมดรู้สึกแต่เพียงว่าอากาศรอบกายที่แวดล้อมอยู่หนาวเหน็บเจ็บปวดเข้าไปถึงกระดูก แน่ละหล่อนจำได้ก่อนจะพลอยหลับไปหล่อนสวดมนต์วิงวอนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยปกปักพิทักษ์คุ้มครองเขาคนนั้นเพื่อให้รอดปลอดภัยและเพื่อให้ได้ติดตามค้นพบอราหันตเจ้าที่หล่อนพร่ำวอนมากที่สุดคือมหาฤาษีโกนทัญญะ ความของลำนำเศร้าส้อยบทนั้นสะท้อนความในใจของหล่อนออกมาตีแผ่ชัดๆอยากจะคิดว่าประสาทหูหรือวิตกจริตทำให้จิตคิดขึ้นมาเองความเงียบเข้ามาแทนที่ขณะจิตหนึ่งดารินอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนคนถูกผีอั่ม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 เสียงนั้นที่ขาดเว้นช่วงไปวิเวกหวามมาอีกเสียงลมดึกพัดผ่านชะง่อนหินอันเป็นตำแหน่งเข้ามานอนใต้เพิงพักดังหวีดวิวฝากลมพริ้วพรมโชยผ่านฝากทานพฤกไพรไม้ป่า ช่วยกล่อมวิญญาณช่วยปลอบที่วาทวินหาเธอแง่ท า, ายแง่ท า, ายเธาอยู่ไหนจิตของดารินระลัมละลักเพรียกรามนั้นออกไปด้วยมยฮิติอำนาจบารมี ของพระคุณเจ้าโกนทัญญะมุนีดวงจิตของแง่ทรายได้มาอยู่ใกล้ๆนายหญิงน <ะ S 1> บัตนี้แล้วเสียงนั้นอ่อนโยนบ่งบอกความจงรักภักดีอย่างไม่เคยสั่งใช่หลอนจำลีลารูปประโยคได้ไม่มีใครอีกแล้ว และไม่มีอื่นใดที่แปลกปลอมแทรกซึมเข้ามาได้เจ้าอดีตองครักษ์ประจําตัวของหล่อนนั่นเองแน่ชัดมากขอให้ฉันได้เห็นเธอเถอดแม้ใน ม, ม, ม, ม, ม, มโนทวารก็ตามนายหญิงครับรวมพลังอำนาจจิตไว้ให้มั่นครับแล้วเพ่งภาพผมด้วยครับนายหญิง เมื่อนั้นเงาสรีระของผมจะพลันปรากฏขึ้นตามที่นายหญิงปรารถนาครับดาราเพา่งหล่อนเรียกร้องความทรงจำในโฉมหน้าบุคลิกอากับกิริยาท่าทีของอดีตคนรับใช้ขณะที่เดินป่าอยู่ด้วยกันในครั้งกระนั้นขึ้นมาโดยพยายามรวมปรมปรามนูทั้งหมด ที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้เข้าหากันเป็นกลุ่มก้อนครั้นแล้วจากความมืดสนิท ก, ก็ค่อยๆปรากฏแสงเรืองรองขึ้นภาพคาวหน้าหนึ่งค่อยๆก่อเป็นรูปขึ้นเริ่มจากเป็นเงาแผวเจือจางก่อนแล้วเข้มเด่นชัดขึ้นทุกขณะกระทั่งในที่สุดก็เด่นชัด แม้กระทั่งสันจมูกและเงาของขนตาเป็นใบหน้าบุรุษหนุ่มผู้งามคมสันอย่างไม่มีที่ติอันเป็นภาพใบหน้าของแง่ทายที่หลอนคุ้นเคยมาก่อนเด่นชัดแม้กระทั่งแววตาที่สาดประกายแห่งความห่วงใยอาทนแง่ทายนั้นมีดวงตาที่ยิ้มได้และบัดนี้ดวงตาคู่นั้น ก็ทรงรอยยิ้มเสมือนจะปลุกปลอบมาที่หลอนตลอดทั้งเรือนร่างในลักษณะเครื่องแต่งกายของกระเรียงพนเนจรผู้เคยเข้ามาสมัครเป็นคนรับใช้ขอร่วมเดินทางด้วยในครั้งกระนั้นยืนตังงานอยู่ตรงหน้าทางด้านปลายเท้าของหลอนเองพร้อมๆกับอาการก้มศรีรษะลงน้อยๆเหมือนจะเป็นการคาระวะ ร่างนั้นได้ยื่นส่งมืออันแข็งแรงมาให้ห่วงคิดของหล่อนในว่าได้ส่งมือไปจับกระฟ่ามืออันสากและอบอุ่นนั้นแล้วก็ถูกดึงด้วยพลังให้ลุกขึ้นมาจากที่ซึ่งนอนอยู่เพียงแค่แตะสัมผัสเท่านั้นความหนาวเหน็บทั้งปวงก็สลายไปในบัดเดิน ดารินยิ้มอย่างปีติดใจแล้วหันมาดูกลุ่มพี่ๆที่นอนเรียงรายกันอยู่ก็พบด้วยความตรนกว่าได้เห็นร่างกายของตนเองยังนอนอยู่ที่เดิมในกลุ่มนั้นแต่ตัวเองอีกภาคหนึ่งบางเบาเหมือนเงาที่แยกลุกขึ้นมาตามอาการฉุดประคองของแง่สายแง่สายนี่ นี่ฉันตายแล้วเหรอหล่อนอุทานออกมาใบหน้านั้นสายไปมาช้าๆเปล่าลวรครับนายหญิงกายหยาบของนายหญิงยังนอนอยู่กับกลุ่มของผู้ใกล้ชิดทุกคนอยู่นั่นแต่กายละเอียดของนายหญิงหมายถึงดวงปราได้ลุกขึ้นมาพบปะเสวนาการแง่ทรายแล้วครับ ตามที่นายหญิงปรารถนาเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าความฝันก็ย่อมได้ครับอย่าได้ห่วงพะวงต่อสิ่งใดเลยครับนายหญิงขอให้คิดแต่เพียงว่านายหญิงได้ฝันไปฝันว่าได้พบกับแง่ทรายตามที่นายหญิงได้พร่ำวิงวอนต่อพระคุณเจ้าโกนธัญะก็แล้วกันโอ้ยดีจริงหล่อนร้องออกมาพร้อมกับหัวเราะน้อยๆ เต็มไปได้วยความแช่มชื่นและความหวังก้าวเดินตามอาการจูงของแงซทรายออกมารู้สึกร่างกายเบาหิวปราศจากน้ำหนักแง่ทรายแล้วทำไมทำไมฉันไม่ได้พบนายเก่าของเธอระพินแบบนี้บ้างละ่ะนายหญิงครับแง่ทรายในอยู่เหนือวิบากรรมแล้วจึงมาพบกับนายหญิงในลักษณะเช่นนี้ได้ครับ แต่ผู้กองระพินยังอยู่ใต้วิบากกรรมจรึงยังไม่อาจจะพบนายหญิงแต่ก็คงอีกไม่นานนักหรอกครับที่วิบากกรรมนั้นจะถึงการสิ้นสุดลงเงาทายนี่เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกจริงๆที่ฉันได้พบเห็นเธออย่างกระจ่างชัดที่สุดเหมือนเราได้พบเห็นกันอีกในโลกนั้นแหละดารินเ อ, อ่ยออกมาอย่างตื่นเต้นปิติ คำวิงวอนของฉันต่อพระคุณเจ้าโกลทัญญาเมื่อหัวค่านี่ส่งผลเป็นจริงทุกอย่างเหมือนเช่นที่พร่มภาวนากราบขอท่านไว้ฉันขอให้ได้พบราพินหรืออย่างน้อยก็ได้พบเธอแม้จะในความฝันก็ยังดีดีกว่าที่จะพบความว่างเปล่าอ้างว้างโดยปราศจากความหวังอะไรทั้งสิน้นเหมือนเช่นที่แล้วแล้วมาแล้วนี่ฉันจะคุยกับเธอได้เหมือนอย่างปกติไหมเนี่ย สีสะนนั้นก้มลงให้หล่อนนิดหนึ่งอีกครั้งสุภาพและสง่างามเกินกว่าที่จะอยู่ในชุดกระเรียงพเนจรครับนายหญิงเราจะคุยกันในสภาพปกติธรรมดาเหมือนตัวจริงของเราได้พบกันทุกอย่างครับนายหญิงนายหญิงจะถามและเง่ท า, ายได้ทุกคาถามเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคำถามจากนายหญิง บางคำถามมันก็สุดแต่ว่าฟ้าดิงจะสั่งให้แง่ทรายตอบได้หรือไม่เท่านั้นจักรวาลหรือภมลิขิตนี่ก็มีขอบเขตและขีดขั้นชีวิตมนุษย์เราอยู่ภายใต้ขีดกำหนดนี้ครับจะกัําเกินล้ำขึ้นไปไม่ได้มิฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาก็จะสูญเสียไปแง่ทรายพูดเพียงแค่นี้นายหญิงคงจะเข้าใจนะครับใช่ใช่ใชฉันเข้าใจแง่ทรายเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจเธอ รวมทั้งกฎเกณฑ์ทั้งหลายอย่างดีที่สุดด้วยฉันขอสัญญานะว่าถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เธอไม่อยู่ในฐานะจะตอบได้ฉันก็จะไม่าซาซีหรือบีบบังคับถามนะครับดีแล้วครับขอยคืนนี้เปรียบเสมือนสมัยที่แง่ทรายเคยเป็นบ่ารับใช้ในายหญิงในยุคนั้นและเหมือนกับว่านายหญิงนอนไม่หลับได้ตื่นขึ้นมาเห็นแง่ทรายนั่งยามตามไฟอยู่และปรารถนาที่จะพูดคุยด้วยนั้นเถอะครับ ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่ของพวกชั้นที่นอนหลับหรือนั่งยามอยู่โน่นนะไงทา ย, ายไม่มีครับไม่มีใครมีญาณแก่กล้าที่จะมองเห็นดวงกิตสองดวงพบปะสนทนากันหรอกครับนายหญิงจะร้องตะโกนส่งเสียงเอ็ดอึงยังไงก็จะไม่มีใครได้ยินอย่าลืมซะสิครับว่ากายหยาบของนายหญิงยังนอนอยู่ที่นั่นนอนในลักษณะอาการหลับสนิททีเดียวนะครับ ดารินเหลียวกลับไปยังร่างของตนเองอีกครั้งแล้วหันมายิ้มจ้องหน้าเจ้าอาดีตคนรับใช้อย่างชื่นชมรักสนิทนีแงซ า, ายเท่าที่ฉันมองเห็นเธอตอนนี้เธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแงซ า, ายคงเหมือนเดิมกับสมัยที่เราเดินป่าอยู่ด้วยกันในครั้งนั้นทุกอย่างจริงๆครับไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับแงซ า, ายหรอกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนายหญิงครับนี่แงซายนี่แปลว่าเราพบกันได้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยโดยการเปิดทางให้ของพระคุณเจ้าโกลธัญญาใช่ไหมใช่ครับอำนาจจิตบูชาของนายหญิงน่าแรงมากครับและท่านก็ได้ประทานให้แล้วตามที่นายหญิงขอไวไม่อย่างนั้นยากนักที่แงซายจะมาพบปะ ก, กับนายหญิงไดอย่างนี้แม้จะพยายามสักเพียงใดก็ตาม อย่างมากก็ได้แต่ส่งสัญญาณอย่างแผ่วเจือจางมาถึงนายหญิงได้ในบางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละครับสาธุพระคุณเจ้าท่านเมตตาต่อฉันจริงๆเชียวดารินพึงพำมพนมมือขึ้นบูชาครับท่านจะประทานความเมตตาให้กับนายหญิงได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องขึ้นอยู่กับ ร, ระดับวิบากกรรมของนายหญิงด้วยนะครับ เพราะท่านเองก็จะไม่กระทำสิ่งใดให้เป็นการฝืนต ก, กฎของจักรวาลเกินไปนะักขณะนี้จากผลเพียรปฏิบัติผลแห่งการที่ได้ชดใช้กรรมมาจนใกล้จะสิ้นทำให้ท่านเกื้อหนุนนายหญิงได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าที่แล้วแล้วมานายหญิงพรมภาวนาวิงวอนเช่นใดท่านก็รับทราบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเวลาใดเมื่อไรท่านจะเอื้ออานวยให้ในายหญิงได้แค่ไหนเท่านั้นล่ะครับ นี่แง่ท า, ายฉันทาบาปกรรมอะไรไว้มากนักเชีวยวเหรอแง่าสายยิ้มน้อยๆแหลลึกลงไปในดวงตาของหล่อนครับในสมัยอดีตชาตินะครับสมัยที่ยังเป็นจิตราคณาในหญิงน่ะดื่มยาพิษฆ่าตัวเองนั่นแหละครับกรรมอันมหันและในอีกหลายชาติพบต่อมาอีกนายหญิงก็สะสมกรรมอยู่ซ้ำซาก ทำนองเดียวกั น, กนผู้กองระพินก็เหมือนกันทั้งสองคนสั่งสมกรรมกันไว้มากมายนักครับนี่นี่แปลว่าเธอรู้อดีตการเรื่องราวของฉันหมดเลยเช่ยวเหรอก็แงซ า, ายเป็นศิษย์ขอ ง, องโกนธัญญมุนีนี่ครั บ, รบถึงจะไม่รู้มาก่อนอแต่ก็ต้องรู้ได้อยู่ดีถ้าต้องการจะรู้ดารินหัวเราะนี่เธอก็ยังคงลึกลับแล้วก็เจ้าเล่ยอยู่เหมือนเดิมนะแงซาย ครับก็ น, นี่คือแง่ทรายของนายหญิงยังไงล่ะครับนี่เมื่อฉันมีโอกาสได้พบเธออย่างเด่นชัดเห <t ell ata> ลือเกินเลยอย่างเงี้ยฉันจะถามนะนะ <ot up> ตอบได้ก็ช่วยตอบด้วย <t ell ata> แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบครับตกลงครับนายหญิงฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เดี๋ยวเนี้ระพินอยู่ที่ไหนตอบได้ไหมก็ ไม่ขนทางข้างหน้ า, นาที่นายหญิงกำลั ง, ลงจะติดตาม <ละ S 1> ไป น, นั่นแหละครั บ, ร บ, รบแลวเขาเป็นยังไงมั่งล่ะแงสายแงส า, ายนิ่งสงบไปขณะจิตหนึ่งหลอนเห็นเจ้าอดีตคนใช้ที่เข้ามาพบทางดวงจิตหลบตาต่ำลงน้ำเสียงที่ตอบมาเคร่งขึงแผ่วต่ำ<อ>เขาก็ ยากแค้นสมสารไปตามวิถีแห่งกรรมเหนื่อยากลำเค็นแสนสาหัสนักเงยายตอบข้อนี้ได้เพียงแค่นี้ล่ละครับนายหญิงโทรพินใบหน้าของดารินสลดรันทดลงแต่นายหญิงครับนายหญิงไม่ต้องกังวลอะไรให้มากนักนะครับไงไงผู้กองเขาก็เอาตัวรอดได้เสมอแหะ ไม่ว่าจะหนักสักแค่ไหนปานใดวิถีชีวิตของเขาต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าโทษตัวเองในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือทุกสิ่งทุกอย่างมันดําเนินไปตามวิบากกรรมไม่มีใครผิดหรือถ้าจะผิดก็ผิดด้วยกันทั้งสองคนมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วมาแะครับชาตินี้เป็นชาติที่ต้องมาชดใช้ไสพอเพื่อจะเปลี่ยนสถานภาพสักที ดาริงอึ้งไปครู่ใหญ่นี่ระพินทร์น่ะเขาล่วงรู้ถึงอดีตชาติของเขาบ้างไหมว่าเกี่ยวพันกับฉันมายังไงมัง่งรู้ครับผู้กองน่ะซึมทราบได้ดีที่สุดแล้วว่าเขาคือใครและนายหญิงคือใครรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับรู้ตั้งแต่ผ่านเข้าแดนนิทรนานคร เขาได้ลงไปในมหาสุสานที่มีหีบพระสบของกิตรางคนางและได้ไปพบเห็นด้วยตัวเองแล้วด้วยซ้ําเห็นแม้กระทั่งร่องรอยที่ตนเองได้ลอบมาขโมยประสบของกิตรางคนางไปด้วยตนเองในครั้งกระนั้นเห็นรูปแกะสลักของกิตรางคนางบนพื้นผนังซึ่งมีคาวพระพักเหมือนนายหญิงยุคนี้ไม่มีผิดครับและเขาก็รวอดร้าวทรมานใจจนสุดทนทานได้ ก็ไม่ผิดอะไรกับความรู้สึกของนายหญิงเ<ว>มื่อรู้อดีตของตนเองนั่นแหละครับแล้วแล้วพวกนายจ้างของเขาที่มาด้วยล่ะก็ารู้เห็นอะไรหรือเปล่าเปล่าระครับไม่มีใครรู้อดีตระหว่างผู้กองกับนายหญิงทั้งสิ้นครับก็เช่นเดียวกับฝ่ายนายหญิงเหมือนกันโดยที่นายหญิงก็รู้อยู่แก่ใจตนเองคนเดียวชนิดที่จะให้ผู้อื่นร่วมรู้ด้ว ย, วยไม่ได้ ผ้กองเขาก็รู้อยู่เฉพาะในใจคนเดียวเหมือนกันละครดารินเริ่มเศร้าซึมลงอีกเต็มไปได้วยความรันทดนี่แง่ทายฉันไม่เคยเชื่อในเรื่องชาติเรื่องพบมาก่อนเลยนะแต่มาคราวนี้นะ่ะมันชัดแจ้งเหลือเกินอะไรต่ออะไรที่ฉันผ่านไปเชิญมาแล้วทั้งหมดเธอรู้เห็นหมดแล้วใช่ไหมแง่ทายครับนายหญิง ดวงจิตของแง่ทรายติดตามนายหญิงอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าเหตุการณ์ตอนไหนที่จะผ่านพ้นจากการรู้เห็นไปได้เพียงแต่ว่าไม่อาจจะนําความของฝ่ายผู้กองมาบอกนายหญิงหรือเอาความของฝ่ายนายหญิงไปบอกผู้กองได้ครับจนกว่าจะถึงการเวลาสิ้นวิบากกรรมเองนี่เธอไม่มีทางที่จะไปทำเมื่อเขารู้ว่าฉันตามมาและให้หยุดรอได้บ้างเชีวยวเหรอ ไงทร า, ายยกมือทั้งสองขึ้นลูบหน้าพลางสั่นศีรษะช้าๆไม่เลยครับไม่มีทางไม่มีทางจริง ๆ, รงๆครับนายหญิงเออนี่สมมุติว่าเขารู้ว่าฉันออกติดตามมาเขาจะหยุดรอหรือพยายามแสวงหาฉันไหมเนี่ยหรือว่าจะคิดมุ่งมั่นที่จะไปตามซากเครื่องบินบ้าบอลลัมนั้นตามที่พวกนั้นจ้างไป นายหญิงครับนายหญิงก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ถ้าผู้กองรู้ว่านายหญิงติดตามมาไงไงก็ต้องเปลี่ยนทิศทางแสวงหานายหญิงแน่แต่นี่น้ากํายังบังตาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถบอกให้ผู้กองทราบได้ว่านายหญิงกําลังติดตามมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่หลายชนิดที่ข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับผู้กอง แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกความจริงกับผู้กองในเรื่องนี้ได้ทุกสิ่งล้วนเข้าใจดีในเรื่องวิบากกรมซึ่งจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามทิศทางของมันครับแล้วแล้วฉันจะตามทันเ้าเมื่อไหรล่ล่ะตามทันที่ไหนแง้ทรายพยายามต่อไปครับนา<น><น>ยหญิง<น>แต่จะตามทันกันเมื่อไหร่<น>ที่ไห น, นยังไงเนี่ย ง่ทรายบอกไม่ได้ครับบอกได้ก็แต่เพียงว่ามหาฤาษีกนทญญานท่านเปิดทางให้นายหญิงแล้วละครับเอาล่ะได้คำตอบเพียงเท่านี้ฉันก็มีกำลังใจขึ้นมากแล้วล่ะแง่ทรายจากความหวังที่แทบไม่มีเหลืออยู่เลยขอบใจเหลือเกินนะขอบใจเธอจริงๆเลยแง่ทรายที่อุตส่าห์มาส่งข่าวให้ทราบเท่าที่จะทาได้ เอาฉันจะไม่กวนใจเธอในเรื่องของระพินที่อยากรู้มากไปกว่านี้หรอกแต่ฉันปรึกษาเธอในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมเงาทายในภาพฝันหรือในภาคของดินแดนอันเป็นมิติที่สี่แย้มไรริมฝีปากน้อยๆพงก์สีสั่นลงได้ครับนายหญิงเงาทายจะให้คาปรึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะให้ได้ครับ นี่พวกเราทั้งหมดในขณะ น, นี้เป็นทุกข์หนักใจมากเจเกี่ยวกับรอยเท้าของไทแรนโนซอรัสซึ่งใหญ่มากใหญ่กว่าสมัยที่มีเธอร่วมเดินทางมาคราวนั้นสะอีกมันปรากฏอยู่ที่ริมหนองน้ำมันเปรียบเหมือนพิามานที่กลายเข้ามาขวางกันก้นการเดินทางของเราไว้ไเจ้าอาดีตคนใช้ชาวดงหัวเราะแผว ล, ลึกอยู่ในลำคอ <c oughs> นายหญิงครับขอให้ในายหญิงทราบแต่เพียงว่ามันจะทําอะไรนายหญิงและคณะทั้งหมดไม่ได้หรอกครับเพียงแต่นายหญิงตั้งจิตให้มั่นคงไว้และตัดสินใจปฏิบัติลงไปโดยความเห็นของนายหญิงแต่เพียงผู้เดียวอย่าให้ใครอื่นมาชี้นําในด้านการตัดสินใจภาวนาถึงอรหรันตเจ้าเข้าไว้เถอะครับแล้วนายหญิงจะนําคณะทั้งหมดผ่านพ้นภัยพิบัติทั้งหลายไปได้ ปฏิหารจะเกิดขึ้นเองครับผู้นำทางตอนนี้หาใช่นายชดหรือครูพรานหนานอินไม่แต่นายหญิงนั่นแหละครับจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางแม่จะไม่โดยตรงแต่ก็โดยอ้อมนายหญิงต้องหาทางโน้มน้าวให้คณะทุกคนเชื่อฟังปฏิบัติตามนายหญิงให้ได้ครับนั่นแหละคือประการสำคัญที่สุดดารินสดับฟังและนึกตรึกใคร่ครวญ และฉันจะมีอะไรเป็นเครื่องตัดสินใจเป็นเครื่องชี้นำทางละ่ะเงาทรายข อ, อนั้นไม่ต้องกังวลครับนายหญิงนายหญิงจะเกิดสติปัญญามองเห็นลูกทางขึ้นเองไปเป็นระยะระยะไปเ<ป><ป>งาทรายเรียนนายหญิงเรื่องไงครับว่ามันจะเกิดโดยปาฏิหาริ์ซึ่งนายหญิงจะไม่มีโอกาสรู้ได้ล่วงหน้าก่อนเลยครับ แล้วถ้าฉันเป็นฝ่ายกําหนดทิศทางพวกเขาทั้งหมดจะยอมเชื่อฟังเหรอตั้งแต่เจ้าด้วนได้แยกทางจากฉันไปแล้วเนี่ยสิทธิในการตัดสินใจต่อเส้นทางตกเป็นของนายชดรือนนันอินสองคนเท่านั้นแหละฉันน่ะถูกคุมแจท่ทีเดียวไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนพวกเขาก็สกัดกัน้นห้ามไว้หมดพวกเขาจะไม่ยอมเชื่อฟังฉันหรอกเธอก็รู้อยู่วันนี้ว่าในป่าหลงสํารวจแห่งเนี้ย พานชดก น, นันอินจะต้องเชื่อตัวเองมากกว่าจะยอมเชื่อฉันเพราะเขาทั้งสองคนในชำนาญทางมาก่อนแล้วแงสายประสานตานิ่งมาที่หล่อนและคงยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นนายหญิงครับทั้งพรานชดนันอินแล้วก็นายใหญ่แม้จะไม่ยอมรับโดยวาจาแต่โดยส่วนลึกภายในแล้ว ทุกคนล้วนระหนักดีทั้งสิ้นว่านายหญิงมีสัญชาติยานพิเศษในการเดินทางครั้งนี้ทนายหญิงไม่ยอมเห็นด้วยในการบ่ายหน้าไปทางทิศดใดก็ทักท้วงขึ้นเถอครับาอาจจะมีการโต้เ<ต>ถียงขัดแย้งกันบ้างตามธรรมดาเพียงเล็กน้อยแต่ผลที่สุดเขาทั้งหมดก็จะต้องเชื่อฟังนายหญิงเพราะฉะนั้นแง่สายก็ขอเตือนไว้นะครับว่ายามใดก็ตามที่นายหญิงสำเนียดชัด ว่าพรานชดกนันอิงจะนาออกนอกเส้นทางก็อย่าอยู่นิ่งเฉยให้ทักท้วงโต้แย้งหรือชี้แนวทางที่ถูกต้องขึ้นในทันทีอิทธิอำนาจบารมีจากมหาฤาษีโกนธัญญาจะคอยโน้มน้าวให้คณะทั้งหมดต้องเชื่อฟังนายหญิงอยู่แล้วขออยากกังวลไปเลยครับทุกคนรักและเป็นห่วงนายหญิงไม่มีใครที่จะกล้าปล่อยให้นายหญิงแยกทางไปตามลำพังหรอก สมมติพวกเขาจะมุ่งเหนือแต่นายหญิงต้องการจะมุ่งใต้ก่อนไงไงพวกเขาทั้งหมดก็ต้องตามเส้นทางของนายหญิงอยู่ดีแหละครับดาริมถอนใจเบาๆก็คงจะต้องทะเลาะกันหน้าดูชมะนะตามที่เธอว่าเนี่ยแงทรายไม่หรอกครับนายหญิงข้อโต้แย้งอาจจะมีบ้างเล็กน้อยครับแต่จะไม่ถึงขั้นรุนแรงยุ่งยากใดๆล่ะ ทั้งพรานชดอันเป็นพี่ชายกลางของนายหญิงเองน่ะโดยแท้จริงเขาก็รักนายหญิงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านายใหญ่เลยและผลที่สุดก็จะตามใจนายหญิงทุกอย่างและครับส่วนนั้นอินเป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นผู้ที่มักมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเมื่อนายหญิงตกลงใจยังไงเพียงแค่แกช่างใจชั่วครู่ก็จะตามทันแล้วก็จะเห็นความจริงด้วยทันที นายหญิงไม่ต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ชี้ทางก้อยเขาทั้งสองนั่นแหละครับทาหน้าที่นำทางไปตามเดิมแต่ก็อย่างที่บอกล้วถ้าเห็นว่าเขาจะคลาดเคลื่อนอ้อมหรือผิดเส้นทางไปทางอื่นก้ยชีย้ทางอันนหยหญิงเห็นว่าควรจะถูกต้องแก่เขาอุปสรรคใหญ่ก็จะเบาบางลงทางลำบากก็จะสะดวกขึ้นทางไกลก็จะใกล้ขึ้นครับนี่เงี้ทาย เธอรู้จุดเป้าหมายในการเดินทางขั้นนี้ของฉันไม่ใช่เหรอว่าจะมุ่งไปทางไหนก่อนรู้ครับรู้ว่ากําลังจะมุ่งไปทางภูเ ข, ขานิลการเมืองของยาวาเพื่อกราบนมัสการกลนธญมุนีให้ถึงองค์ท่านก่อนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วล่ะครับแล้วฉันจะไปถึงองค์ท่านไหมเนี่ยอีกนานสักเท่าไ ห, หร่ล่ะแง่ทรายดารินถามมาโดยเร็ว องท่านรออานวยพรให้แกนายหญิงอยู่แล้วล่ะครับแล้วท่านก็ได้เปิดทางให้แกนายหญิงแล้วด้วยเงาซายไม่ตอบตรงคําถามแต่คําตอบก็เป็นไปในทางบวกความปิติผ่านไปในจิตใจของหล่อนฉันอยากจะรู้อีกนานไหมนับแต่วันพรุ่งนี้อ่ะถ้าเธอตอบได้ตอบหน่อยสิไม่นานหรอกครับนายหญิง แต่ก็ไม่เร็วดังใจปรารถนาของนายหญิงเพราะว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาล น, นี้จะเร็วเท่ากระดดนจิตของมนุษย์อีกแล้วแม้แต่การเดินทางของแสงครับดารินอดหัวเราะออกมาไม่ได้คอนิดหนึ่งเธอแล้วก็อดเจ้าเล่ตามนิสัยเดิมไม่ได้ใช่นะครับเงาสายจะเจ้าเล่ ก, กับใครก็ตามแต่ไม่เคยเจ้าเล่กับนายหญิงอันเปรียบเสมือนพี่สาวคนนี้หรอกครับ นี่แล้วฉันควรจะตามไปทันรพินที่เมืองของวายาใช่ไหมเนี่ยถ้าฝ่ายฉันไม่เดินทางล่าช้าหรือมีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นแงาซายคงมีข้าวหน้าที่เยือกเย็นสงบดูลึกลับอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าดารินจะเห็นในยุคก่อนหรือในกระแสจิตขณะ น, นี้นายหญิงครับ ประตูชัยแห่งความหวังของนายหญิงเน่อยู่ที่เมืองของวายาครับอยู่ที่การไปเฝ้านมัส ก, การโกลธัญญมุนีและนั่นหมายถึงการก้าวใกล้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นครับแล้วแล้วหมายความว่าฉันไปไม่ทันเค้าที่เมืองของวายาโดยเขาออกไปก่อนแล้วยังงั้นเหรออดีตคนใช้ชาวดงสั่นศรีรษะแช่มช้า ครับนายหญิงคือผู้กองไม่ได้ตั้งเข็มเข้าผู้เขานิลการของวายาหรอครับเขาลัดทางผ่านไปเล ย, ย, ยเพราะนั่นคื อ, คอจอมพรานผู้มีนามว่าระพินไพรวันครับหญิงสาวลืมตากว้างฮเขาตัดผ่านผู้เขานิลการไปเลยเหรออตายละ่ะแล้วเขามุ่งไปทางไหนละ่ะ นายหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับมรกตนครเมืองรับแลของเธอน่ะเหรอแงซ า, ายหล่อนร้องขึ้นครับสิ่งนี้นายหญิงและคณะทั้งหมดก็สังหอนไว้ก่อนแล้วนี่ครับนั่นแหะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ต้องไปคํานึงถึงจุดหมายปลายทางที่ใดอีกแล้วละครับแงซ า, ายตอบอย่างสงบในอากับกิริยาเดิม ภายหลังจากตะลึงนิ่งไปอีกครู่ใหญ่หญิงสาวจึงเอ่ยขึ้นถ้าเะ่นนั้นฉันก็คิดว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วสิเพราะคำตอบมันมีอยู่ชัดแจ้งความหวังของฉันแต่แรกนะ่ะก็หวังที่จะส ก, กัดพบเขาที่ภูเขาในลการแต่เมื่อได้ทราบจากเธอว่าระพินไม่ได้มุ่งไปที่เมืองของวายาโดยจะผ่านพ้นลัดทางไปซะอย่างเงี้ย การมุ่งเข้าเมืองของวายาก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงสินะฉันก็ควรจะหาทางดักหน้าเขาต่อไปในเส้นทางของเทือกพระศิวะเป็นต้นว่าไปสกัดดักอยู่ที่เนินพระจันทร์หรือบริเวณใกล้เคียงนายหญิงครับเส้นทางของนายหญิงน่ะไม่ผ่านภูเขาใ น, นละกาไม่ได้ครับจะออกก้าวสกัดยังไงก็ต้องผ่านเมืองของวายาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ภูเขานิลการเป็นจุดจำเป็นจะต้องผ่านที่ใกล้ที่สุดอีกประการหนึ่งนายหญิงมีความประสงค์แรงกล้ายอยู่แล้วที่จะไปเฝ้ามหาฤาษีโกนธัญญาเหตุใดถึงได้เปลี่ยนกุศลเจตนาอันเป็นมงคลต่อการเดินทางนี้ลงเสียละครับดารินซบหน้าลงกระฝ่ามือทั้งสอง พ, พึมพำมาว่าจริงของเธอสินะแง้าย ถึงยังไงใช่ฉันก็ต้องมุ่งเข้าพึ่งบารมีของพระคุณเจ้าโกนทัญญะกร อ, อยู่ดีต้องไปกราบขอพรจากท่านจนถึงที่อันสรีระเป็นหินของท่านสถิตอยู่แต่ความหวังที่จะได้พบพระพินที่นั่นหมดสิ้นไปแล้วฉันคงจะต้องปวดร้าวทรมานทุกยากแสนสาหัสเพื่อมุ่งติดตามเขาต่อไปจนสุดล่าฟ้าเขียวทีเดียว ไม่รู้แน่ด้วยว่าจะพบเขาได้ที่ไหนยังไงรู้สึกว่าฝ่ามืออุ่นแข็งแกร่งเต็มไปด้วยพลังเอื้อมมาจับแผ่วเบาที่มืออันปิดหน้าของหลอนแล้วค่อยๆดึงออกแลไปก็พบใบหน้าสีทองแดงราวกะหล่อด้วยสำริดของอดีตองครักประจำตัวก้มลงมาใกล้ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยแววอ่อนโยนปลุกปลอบ พี่สาวครับทำใจเข้มแข็งไว้ครับตลอดเวลาหัวใจดวงนี้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวยิ่งนักอย่าปล่อยให้ความทุกโศกรันทดเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือได้สิครับเพียงแค่ล่วงรู้อนาคตการน้อยนิดเท่านั้นว่าจะไม่พบผู้กองที่เมืองของวายาพี่สาวก็บังเกิดความท้อแท้เสียพลังใจแล้วยังนี้แงไซจะบอกอนาคตสิ่งใดมากกว่านี้ได้ครับ เอาเถะน้องชายจะคอยช่วยเป็นพลังใจช่วยในทุกวิถีทางที่จะช่วยได้ครับเพื่อพี่สาวได้บุกบั่นต่อไ ป, ไปจนถึงที่สุดครับที่สุดของอะไรละ่ะแง่ซรา ย, ายดารินถามมาทางน้ําตารินที่ที่สุดของการมีชีพชนหนึ่งชีวิตนเหรอแง่ซา ย, าย <c oughs> ก็บอกมาตามตรงไม่ได้เลยว่าชาตินี้ทั้งชาติ ยังไงยังไงก็ตามก็ไม่ทันและจะต้องไปตามค้นหากันอีกสักกี่ชาติละเนี่ยร่างอันสูงใหญ่ตระงานงามนั้นบัดนี้ลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์หาได้อยู่ในชุดของกระเหี่ยงพระเนจรเช่นที่เคยมาสมัครเป็นคนใช้ของหล่อนดังที่เห็นอยู่แล้วไม่แต่อยู่ในชุดเกราะทองคำอันสกาววับเรืองรอง ดวงตาสุริยเทพข้าติดอยู่กับนลาลาดอังสาคลุมด้วยภูษาสีแดงเพลิงปลิวสะพัดอยู่ในบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหมอกบางๆก่อนทั้งสองประสานกันกอดอุระไว้ผินพักไปทางด้านหนึ่งสง่างามจับตายิ่งนักและโดยไม่ได้ทอดทัศนาหรือแม้แต่ชำเลืองแลมาทางหล่อนเลยสุรเสียงกังวานทุมลึก ก็ปรากฏขึ้นด้วยอาการเสมือนหนึ่งจะเปลยว่าขึ้นชื่อว่าอิสตรีแม้ว่าจะมีความเด็ดเดียวเฉียบขาดและอาหารเพียงใดก็คงไม่ทิ้งลักษณะดั้งเดิมของอิทธิเพศไปได้นั่นก็คืออาการฟูมไฟตีโพยตีภายอันเป็นท่าแท้ของความอ่อนแอ ซ่อนอยู่เรนลึกจักรราดารินแทบพังษะจิตรางขนาฟ้าพระบาททรงมีโทษลักษณะประจำพระองค์เช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจากอดีตมาจนปัจจุบันักการนั่นก็คือแข็งนอก อ่อนในแกล้งกล้าบนผิวฉาบรันทดระทวยซ่อนอยู่ภายใต้ฝ่าพระบาททรงพระอีอัคคิรุธมาทุกพบแล้วด้วยเหตุอันไม่บังควรเขาเป็นฝ่ายติดตามหาฝ่าพระบาทเป็นฝ่ายท้อแท้และพระหนีมาชาตินี้พบนี้ ฝาพระบาทจะต้องเป็นฝ่ายติดตามค้นหาเขาบ้างแล้วและเขาก็รอคอยการค้นหาของฝาพระบาทอยู่ยายจึงจะเป็นฝ่ายระยอทอแท้เสียอีกแล้วถ้าดวงจิตของฝาพระบาทไม่เข้มแข็งอดทนต่ออำนาจวิปโยคได้พอพบนี้ก็คงตามไม่ทัน และคงจะต้องทุกทวต่อไปอีกในพบหน้าฉนไหนจึงไม่ให้บ่วงกรรมนั้นสิ้นสุดลงในพบนีเสทีเพียงแต่บากบันภาคเพียรต่อไปเท่านั้นจักรราจิตรางขันนางถ้ามองเห็นอดีตในแต่ละชาติ ฟาพระบาทจะซึมทราบแก่พระไทยดีว่าม่านกรรมได้บทบางความรักของฟาพระบาทและอัคนิรุธมาโดยตลอดหลายชาติหลายพบนักแล้วฝาพระบาทรำลึกได้แต่เฉพาะชาติที่เป็นจิตรางคันนางและเขาคืออัคนิรุธแต่ฟาพระบาทหาได้เคยหนักเลย ว่าความรักความพิศวาสของหญิงชายคู่หนึ่งในแต่ละชาติมีกรรมเป็นตัวบันดาลเช่นไรจากผลกรรมต่อเนื่องความเสน่หาที่ต้องมีความตายมาพราอย่างปัจจุบันทันด่วนก่อนเวลาอันควรฉะนั้นไตร่ตรองให้ดีว่าจะให้พฤติกรรมสลดนั้น บังเกิดขึ้นเป็นการซ้ำแล้วซ้ำอีกสักกี่ชาติจากความท้อแท้สิ้นหวังและความไม่เข้าใจซึ่งกันและ ก, กันบัดนี้ถึงเวลาที่จักรราชหรือแงซายจะต้องจากไปก่อนแล้วสูงกำหนดจดจำไว้ประการเดียว ว่าะที่ใดที่หนึ่งตำแหน่งขุนเขาจรดแผ่นฟ้ามุงกุดรักของฟ้าพระบาทรอคอยอยู่ณที่นั่นแล้วร่างอัน ง, งดงามราวกับภาพปั้นของเทพผบุตรนั้นค่อยๆจางลงจางลง ดารินร้องออกมาอย่างสุดเสียงเดี๋ยวก่อนจักรราชอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไ ป, างไปดารินวราริศทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งภาวะที่ลอนตื่นและรู้สึกตัวรับทราบเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือพายุลูกเห็บกำลังซัด ก, กระนําลงมาอย่างหนักท่ามกลางการชุลมุนของคณะทั้งหมด และเสียงตะโกนสั่งความลั่นของอนุชากับหนานอินให้พวกลูกหาบเอาผ้าใบมาขึงกัน้นเป็นกำแพงบังเม็ดลูกเห็บโตโตอันปลิวเข้ามายังดูเดือดนั้นทางด้านขวามือโชคดีที่คณะทั้งหมดเข้ามาอาศัยนอนอยู่ใต้เพิงหินอันเปรียบเสมือนมีหลังคาช่วยกั้นไว้มันเป็นเวลานา น, านเท่าใดไม่ทราบได้แต่บรรยากาศรอบด้านยังมืดมิดเหมือนอยู่ในเหวนรก ความเย็นเยือกของสายลมแทบจะทำให้ร่างกายทุกส่วนแข็งไปหมดชาดิกยากเส้นผมจรดปลายเทา้าและลึกลงไปกลางขั้วหัวใจผ้าใบหนาที่เคยใช้อาศัยปูนอนซึ่งบัดนี้อนุชาบงการให้พวกลูกหาช่วยกันรื้อขึ้นมาใช้ขึงกัน้นทางด้านใต้อันพายุลูกเห็บจะสาดเฉียงทะแยงผ่านพ้นเพลิงเข้ามาทางด้านนั้นไม่สามารถที่จะขึงต้านกับ อำนาจแรงลงไว้ได้และมีอาการเหมือนจะถูกพายุพัดหอบริวออกไปเชื้อทาจึงสั่งให้ทุกคนนั่งทับชายผ้าด้านชิดพื้นเอาไว้และให้เอาส่วนบนทั้งหมดคลุมตัวและศีสับทั้งหมดอยู่ภายใต้โปงผ้าใบผืนเดียวกันเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ในนั้นไม่ทราบว่าใครเป็นใครสิงช ย, ยันสะบดขมงฉงเฉงไปหมดและร้องเรียกน้ำตรวจสอบไปยังพักพวกทุกคนโดยเร็ว เชษฐาอนุชานานอินและขยินตอบรับกันหมดแล้วชื่อสุดท้ายที่ชายันเรียกก็คือน้อยอยู่ไหนหล่อนได้ยินนะจากเสียงตะโกนเรียกหาภายใต้โคมคลุมถึงเดียวกันนั้นแต่ความที่ยังมึนงงต่อเหตุการณ์ทำให้ยังไม่อาจจะขานตอบออกไปได้ในทันทีนั้นเชษฐาเป็นคนที่นั่งพอตัวอยู่ใกล้ชิดหล่อนมากที่สุด ได้รวบตัวหล่อนเข้ามากอดไว้แล้วลูกคลาตามใบหน้าเหมือนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นตัวน้องสาวใช่หรือไม่แล้วร้องตอบช ย, ยันออกไปน้อยอยู่นี่อยู่ใกล้ฉันเนี่ยเป็นนั้นว่าครบจํานวนแล้วสาหรับพวกเราเอาให้นายชวนเรียกชื่อลูกน้องดูทีครบจํานวนคนหรือเปล่าระหว่างที่หัวหน้าลูกครับขานชื่อคนของฝ่ายตนอีก9คนช ย, ยันก็ร้องถามหม่อีกว่าน้อย ทำไมเงียบเป็นอย่างนั้นล่าทำไมไม่ให้เสียงอะไรเลยในขณะเดียวกันพี่ชายใหญ่ก็เคยายตัวเรียกเบาๆน้อยเป็นไรเปล่าทำไมตัวสั่นย่างนี้เปล่าเปล่าเปล่าค่ะน้อยน้อยไม่ได้เป็นอะไรดารินเพิ่งจะหลุดปากตะกุบตะกักออกมาได้เป็นประโยคแรก น, นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือครับพี่ใหญ่พายุลูกเหตบจ อยู่ไม่อยู่มันก็ซัดลงมาอย่างไม่มีสัญญาณเตือนบอกล่วงหน้าเลยใครยินมันบป็คุมโบยขึ้นเป็นคนแรกนึกว่าใครก้อนหินปลาก็มาถูกมันไงพอพวกเราลุกขึ้นนั่งเท่านั้นน่ะมันก็ซัดกระหนํามาอย่างกระปินกลบางเม็ดมันใหญ่ขนาดกําปั้นอย่างบอกบอกก็ขนาดลูกพุทซาใครถูกก็จังจังมีหวังหมอบเชิดถามบอกมาโดยเร็วและถอดเสื้อหนังของตนออกลุมทับให้ที่ไหล่น้องสาวคนเล็ก ผู้นั่งท้างสัน่นกระทบกันกล่าวดาริ้นขณะ น, นี้กลายเป็นบุคคลที่นั่งซึ่งเงียบเฉยที่สุดอยู่กลางวงในระหว่างที่บุคคลผู้ร่วมคณะอื่นๆส่งเสียงพูดจาหรือสั่งความกันบงเบงไปหมดหลอนตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงยังตั้งสติไม่ได้และยังไม่อาจปลงใจตัดสินสภาวะแท้จริงของตนเองได้ถูกว่าระหว่างที่หลอนได้พบเห็นผู้จาสนทนากางงรทราย ในระหว่างที่กําลังตกอยู่ภายใต้ความวิปริตของธรรมชาติยามนี้สิ่งใดเป็นความฝันแล้วสิ่งใดเป็นความจริงที่ชีวิตกําลังเผชิญอยู่กันแน่สิ่งนายชวนขานามลูกหาไปแต่ละคนซึ่งพวกนั้นก็ตอบรับไปตามลำดับแล้วก็ร้องบอกมาทางฝ่ายเจ้านายว่าทุกคนอยู่ครบครับไม่มีใครขาดครับดีมากดีมากช่วยกันเอามือจับขอบผ้าใบาไว้ตึงนะ กันใหญ่มันปิวมากระทบก็จังๆล่ะปเดี๋ยวได้หัวร่างข้างแตกกันไม่มั่งเท่านั้นแหละเสียงพี่ชายสั่งการต่อไปเบื้องบนเสียงเม็ดลูกเข็บยังโปรยปลายลงมากระแทกกับเพิงหินดังอยู่สนั่นวันไหวราวกบมือของอาสนรรายกว้างปลาก้อนน้ำแข็งขนาดเขื่อนกระนำลงมาใส่ทางด้านใต้ที่พายุกันโชกเข้ามาเล่าพวกลูกเข็บก็ประดังปิวเข้ามากระทบกับผืนผ้าใบา เสียงดังอยุบพลัวพละพลวพละตลอดเวลาบางครั้งกระทบกับกลางหลังของพวกลูกหาบที่เอาหลังแน่ปิดผ้าใบเกินไปร้องกันเจี๊ยบจักลั่นไปหมดยังโชคดียังโชคดีอยู่มากที่เราได้มาอาศัยอยู่ใต้หลังคาเพิงหินนี้เสียงแพร่นชดพื้พรขึ้นเอาแผ่นท้ายไรเฟิลยันพื้น และปากกระบอกทิมเข้าไปช่วยค้ำผ้าใบที่พวกลูกหาบช่วยกันชูแขนขึ้นไว้คลุมสีสับนี่ถ้าไม่ได้เพิงหินเพิงนี่แทนหลังคามีหวังกันน่วมไปหมดแล้วชั ย, ยันร้องตอบมานึกถึงตอนที่มาการะพินกราวก่อนนั่นนะแย่หนักกว่านี้อีกดูเหมือนผ่าผ่านหลุมอุาบาเท่านั้นแหละก็เจอพายุลูกเห็บแบบนี้เข้าถึงจะต้องขุดรูหลบกันจ้าละวัน เฮ้ยมันจริงเว้ยกำลังนอนหลับอยู่ดีๆแท้ๆมันให้ต้องมีอะไรขึ้นสักอย่างจนได้สินะพับผ่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนี่วะมันเนย็นจนชาไปหมดทั้งตัวแล้วไฟเฟดับชิบหายหมดไม่ว่ากี่กองกี่กองท่ามกลางเสียงบนขรมของชัยยันเสียงไฟฟ้าเรืองๆรืองจากแบตเตอรี่นาฬิกาเดินป่าของข้อมื อ, อ, มอเทฐาก็สว่างขึ้น ภายใต้โปงงันมืดมิดอึดใจเดียวก็ดับลงแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะก็บอกมาเสียงต่ำๆว่าขณะนี้เวลาสี่นาฬิกากับยนาทีวออุณหภูมิที่เราเบียดเสียดกันอยู่ในโปงเดียวกันเนี่ยมันลบ2ององศาเซนเชียกแต่ข้างนอกที่กำลังพายุพัดอยู่ น, น่นเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่าลบ8ปถึงลบส0เดี๋ยวให้พายุลูกเขบซากว่านอีกหน่อย เดากลักแบตเตอรี่สำหรับทำความอุ่นมาแจกให้ทุกคนตอนนี้มันอยู่ในกองสัมภาระกองสมกันอยู่นั่นยังค้นหาไม่ได้รับรองได้ว่าไม่มีใครหนาวจนถึงตายหรอกอ้าตอนนี้เอาไอ้นี่ไปก่อนและเชษฐาก็ส่งกระติกบรันดีส่งไปสะกิดให้ที่เก่าของช ย, ยันซึ่งรับมาเปิดจุดออกเทลงคอสลายอึกจากนั้นก็ส่งเสียงแจกไปยังพักพวกทุกคน โดยไม่เลือกว่าเป็นพวกลูกขาบหรึอกลุ่มเจ้านายเพราะทุกชีวิตบัตรนี้มันได้รวมเข้ามาเป็นชีวิตเดียวกันแล้วอย่างแนบสนิทแม้แต่ไอตัวก็ยังต้องอาศัยซึ่งกันและกันอนุชาเอื้อมือผ่านหลังช ย, ยันไปคลำหาตัวน้องสาวผู้นั่งเงียบอยู่พบไหลอันหนาไปด้วยเสื้อคลุมของหล่อนอยู่ในอ้อมประคองของพี่ชายใหญ่จึงตกเบาๆอย่างปราณีไ น, น้อย เงียบชี้เนะเราหล่อนยิ้มให้พี่ชายในเงามืดแล้วเอามือจับอุ้งมือที่สวมถุงหนังของเขาบีบแน่นไม่ต้องห่วงครับพี่กลางน้อยเรียบร้อยดีเหมือนเดิมเพียงแต่ตกใจตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันแล้วก็ยังงงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนมั่งเท่านั้นแหละไงหนาวมากไหมทนไหวค่ะ มันไม่ใช่ของใหม่สําหรับน้อยหรอกเคยพบมามากกว่านี้แล้วในคราวนั้นดีเท่าไหร่แล้วที่พี่กลางเลือกหาที่พักนอนคืนนี้ได้ถูกต้องที่สุดยังก็จะไทยเหตุการณ์ได้ล่วงหน้ า, างั้นแหละหล่นตอบเบาๆพยายามปรับน้ําเสียงให้เป็นปกติตอนที่มันซัดกระหน่าลงมาเล่นงานพวกเราทั้งหมดทุกคนก็เพ่นลุกขึ้นหมดแล้วพี่เห็นน้อยคนเดียวยังนอนนิ่งอยู่จนกระทั่งพี่ใหญ่บางคนคว้าแขนหิ้วขึ้นมา นอยหลับสนิทเลยค่ะเลยรู้สึกตัวทีหลังเพื่อนเฮ้ย hey! นี่มันซักลงมาหนักทุกทีเลยนะเว้ยพายุก็แรงขึ้นเรื่อยๆเสียงชายันโวยวายขึ้นมาอีกพายุกระลูกเข็บจะพัดอยู่ไม่นานนักล็อกนายทหารเสียงต่ำๆของหนานอินบอกมาทางเบื้องหนะ้าครูครานเท่าบัดนี้นั่งเอามือกอดเขาอยู่ทางด้านเหนือ หันหน้าไปทางนั้นโดยมองฝ่าความมือดออกไปกระแสลมแรงดังเหมือนเสียงปีศาจในขุมนรกผัดกันโชกผ่านเพงิงหินที่ทุกคนเข้าไปอาศัยขดตัวอยู่ครางวืดหวืออยู่ไม่ขาดระยะเดี๋ยวก็หยุดขอเพียงนายทหารอย่าดาอย่าสาบแช่งอะไรเท่านั้นแหละนั้นยินดีใจนะที่คืนนี้เราได้พบลูกเข็มเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาคราวนี้ เป็นงั้นไปลุ้งเป็นพวกมนุษย์หมะหรือพวกหนีขาวแถบขั้วโลกเหนือไงถึงได้ชอบเห็นลูกเข็บพื้น อ, อากาศยิ่งเย็นกว่าน้ําแข็งแบบเนี้ชายันเอกอะขึ้นอีกนานอิงไม่ชอบหนาวแล้วก็ไม่ได้ชอบน้ําแข็งหรอกแกชอบแกตอบมาด้วยน้ําเสียงเรียบเรียบเช่นเดิมแต่บนทางสายนี้สายที่นานอิงเคยผ่านมาแล้ว ถ้าเราพบพายุลูกเห็บเมื่อไรก็แปลว่าเราใกล้เมืองของวายาเรามุ่งหน้ามาไม่ผิดแล้วแหละฮะพายุลูกเห็บอันแสง จ, จะทารุนที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่นี่นี่มันกลายเป็นสัญญาณดีไปยังนั้นเลยครูพรานเท่าหัวร้องฮในลาคอตอบโดยไม่หันหน้ามาว่านานอินไม่รู้รอกว่าจะเป็นสัญญาณดีหรือสัญญาณร้าย แต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าภูเขานีหลักการของวายาและอาสมของฤาษีโกนธัญญะอยู่อีกไม่ห่างไกลแล้วทินของวายาเป็นทินที่มีลูกเห็บตกอยู่ตลอดเวลาที่อื่นไม่มีไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนถ้าจะมีก็มีแค่หิมะนี่ลุงเชื่อแน่อย่างนั้นเหรอคราวนี้เชษถาถามมาบ้างด้วยอาการตื่นตัว ไม่ผิดไปรอกนายใหญ่เราพบลูกเห็บเมื่อไรเราก็ใกล้เมืองวายาเมื่อนั้นนั่นอินภาวนาอยู่ว่าเมื่อใดเราจะได้พบกับพายุลูกเห็บหวังไว้ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนถ้าเราตั้งเข็มไม่ผิดแต่ก็ปรากฏว่าเราได้พบพายุลูกเข็บในคืนนี้เลยนี่มันเร็วกว่าที่คิดไว้มากเจ้ า, จาด่วนของนายหญิงนะ่ะนำทางเรามาส่งถูกต้องแล้วมันลัด มาดีบราโวให้ไปยังงั้นทถิดชายันร้องเอ็ดอืงขึ้นอีกครั้งแทบจะลืมความหนาวเหน็กชาเย็นอันแสนทรมานในขณะนี้หมดสิน้นเทถ้าเองก็เริ่มเลือดฉีดแรงขึ้นกลางน่ถึมีความเห็นยังไงตามที่ลุงอินตั้งข้อสังเกตไว้ออนุชานิ่งไปขณะจิตหนะึ่ง ก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังว่าพี่ใหญ่ครับผมเองก็ลืมซะอย่างสนิทจังมันก็น่าจะจริงอย่างที่ลุงอินว่าแหละครับผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าประมาณสมวันก่อนที่ผมกับลุงอินจะเข้าถึงถิ่นของวายานะเราก็เผชิญกับพายุลูกเห็ดแบบนี้ไม่มีผิดครับแต่ตอนนั้นน่ะเป็นเวลากลางวันตอนบ่า ย, ายจึงพอจะหาที่หลบได้ถนัดกว่าในเวลากลางคืนแบบนี้ และตอนที่ออกพ้นจากเมืองวายาแล้วเราก็ยังพบกับพายุลูกเห็บซ้ําอีกครั้งก่อนจะถึงเชิงเทือกพระศิวะในบริเวณพื้นที่ตอนที่อื่นๆที่เราผ่านไปไม่ปรากฏว่าจะพบกับพายุลูกเห็บเลยเออเข้าคาวมากฮะรูว่าไงชยันอนดีตท่านทูตทางหารบกพี่ชายใหญ่ของคณะหันไปทางเพื่อนร่วมตาย เออใช่ในสมัยที่เรามากระพินครั้งนั้นเราก็พบพายุลูกเห็บในละแวกใกล้เคียงถิ่นของวายาเช่นกันแม้จะเป็นการพบเมื่อตอนผลักออกจากเมืองของเขาแล้ว ก, ก็ตามยิ่งไม่น้อยประโยคหลังเขาหันมาถามน้องสาวคนเล็กที่ร่วมเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยดารินยังไม่ตอบคำถามใดแต่ชยันลืมตาสว่างโผลมขึ้นบอกมาอย่างหนักแน่นระคนตื่นเต้น ออใช่แล้วใช่แล้วจริงๆด้วยเราไม่พบพายุลูกเห็บที่ไหนเลยลนอกจากแถบใต้เคียงภูเขานิละการทั้งนั้นสิ่งที่ลุงอินบอกก็ไม่น่าจะพลาดไปได้ถ้าเราสามารถเข้าถึงเมืองวายาได้ภายในไม่เกิน3ามสี่วันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราเพราะเราอาจจะไปถึงก่อนคณะของรพินแล้วก็คอยดักพบเขาอยู่ที่นั่นเชื่อว่าเราจะต้องพบพวกเขาที่นั่นแน่นอน โอกาสนะ่ะมีมากที่สุดแต่ถ้าเราไปถึงที่นั่นช้าเป็นต้นว่ากว่าจะถึงก็อีกตั้งสิบกว่าวันแบบนี้เขาก็อาจจะไปถึงก่อนเราแล้วก็ผลาไปจากเมืองวายาไปแล้วก็กลายเป็นว่าต้องเดินตามหลังกันอยู่ร่ำไปอนุชาและเชิฐาเริ่มพูดกันด้วยความหวังที่มีมากขึ้นแม้แต่เจ้าขยินก็เริ่มจะมองเห็นเขาเห็งความสาเร็จอยู่แค่เอื้อมทุกคนมีความมั่นใจเช่นนั้นหมด แน่ละ่ะหากการไปถึงถิ่นของวายาแห่งภูเขานิลกาลเร็วกว่ากําหนดที่หวังไว้แต่แรกก็น่าจะเชื่อได้ว่าการก้าวสกัดของรพินในลักษณะดักหน้าก็มีเปอร์เซ็นต์แห่งความจริงสูงมากทีเดียวจะมีก็แต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ลอบถอนใจเงียบๆอยู่ในความมืดหล่อนั่งชันเขา่าเอามือทั้งสองกอดเข่าตนเองไว้ และใบหน้าซบลงกระท่อนแข็งปล่อยให้พวก พ, พี่พี่พากันตื่นเต้นยินดีกับความหวังที่เกิดขึ้นใหม่อย่างกระทันหันอยู่ครู่หนึ่งทมกลางพายุลูกเห็บที่โปรยปลายซั์กระนำหนักโดยไม่พูดจาหรือแสดงความเห็นเข้าร่วมด้วยอย่างใดทั้งสิ้นจนกระทั่งชา ย, ยันเอามือตกมาที่ท่อนขาของหลอนถามปนยิ้มมาว่าน้อย ความหวังของเราใกล้เข้ามาแล้วนะทำไมถึงยังซึมนิ่งอย่างนั้นน่ะไม่ดีใจเหรอดาริงยิ้มออกมาเศร้าซ้ซ่อนอยู่ในความมืดของบรรยากาศคน้นทึบภายใต้พายุร้ายแห่งราตรีและในที่กำบังอันแสนจำกัดฉันดีใจสิเราจะไปถึงเมืองของวายาเร็วขึ้นตามที่ลุงอินและทุกคนมีความหวังไว้ น้ำเสียงนั้นแผ่วเบาพยายามซ่อนความรันทดผิดหวังเอาไว้มิชิดแต่ทุกคนเชื่อหรอว่าระพินจะมุ่งเข็มบ่ายหน้าเข้าหาภูเขานิลการเอ๊พวกนี้หมายความว่าไงอนุชาและชยันร้องถามเสียงสูงมาพร้อมกันหันขวักมาจ้องหน้าน้องสาวคนเล็กในความมืดอย่างพิศวงต่อประโยคคำถามของห่อน ก็มีอะไรมาเป็นเครื่องบอกได้แน่นอนแล้วเหรอวรพินจะเข้าเมืองของวายากบอกหล่อนย้อนถามทุกคนแต่เราทุกคนแน่ใจอย่างไงนีนน่น้อยอนุชาเอ่ยขึ้นขึงขึ้งหนักแน่นเราตั้งสมมุติฐานกันไว้แล้วนี่ว่ารพินจะต้องนําคณะค้นหาซากเครื่องบินตกลํานั้นโดยมุ่งไปยังดินแดนออกนอกค้นภูมิศาสตร์โลก บ่ายหน้ามุ่งเทือบประศิวะภูเขานิลกาเป็นจุดที่เขาจะต้องผ่านอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่แวะเข้าไปสืบข่าวที่เมืองวายาก่อนนกผมมันแน่ชัดอยู่แล้วอะตอนนี้ก็เพียงแต่ชิงเวลากันระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเขาว่าใครจะเข้าถึงภูเขานิลกาลก่อนกันเท่านั้นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจไปถึงก่อนและหลังกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นะซึ่งมันก็แปลว่าโอกาสที่จะได้พบกันที่นั่น หรือบริเวณใกล้เคียงมีสูงสุดกว่าทุกแห่งที่เราเสี่ยงเดาสุ่มตามกันมาแล้วมันอาจเป็นไปได้อีกประการหนึ่งด้วยซ้ำในกรณีที่ว่าเครื่องบี 5.2 าลำนั้นดีไม่ดีก็ตกอยู่ในแถบเขตแดนของเมืองวายาก็เป็นได้เราออกเดินทางตามหลังเขามาจวันตลอดระยะทางก็ก้าวทับรอยเห็นวิเวลการผ่านไปล่วงหน้าของเขามาตามลาดับ ก็เพิ่งจะมาทิ้งรอยแล้วก็หาทางออกก้าวสกัดดักหน้าเมื่อตอนที่เกิดอุบัติวเหตุซึ่งเธอถูกมันไรลักพาตัวไปคราวนั้นเท่านั้นเมื่อเราอ่านเจตนาเขาถูกว่าเขาจะมุ่งไปที่ไหนมั่งพราก็น่าจะดักได้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาได้เปรียบตอนที่สามารถลักทางย่นระยะมาได้แบบนี้ตามหลักฐานที่เห็นเห็นหนึ่งค่ะพี่กลาง เราพบระพินที่เมืองของวายาแน่ถ้าเขามุ่งหน้าไปที่นั่นแต่นักเดินป่าชำนาญอย่างระพินถ้าเขาไม่คิดว่าเครื่องจะไปตกอยู่ที่ภูเขงนิลกาลเขาก็คงจะไม่จําเป็นต้องผ่านเมืองนั้นในสิ้เวลาเขาอาจจะหาวิธีลัดตัดทางมุ่งเข้าเถือกพระศิวะเลยก็ได้หรือใครคิดว่าคนอย่างเขาจะหาทางตัดไปไม่ได้โดยไม่ผ่านเมืองของวายาหากเขาไม่ต้องการ แวะเข้าไปคำพูดอันเน้นหนะักแช่มช้าของหล่อนทำให้ทุกคนของฝ่ายพี่ชายพากันเงียบกริบไปชั่วขณะน้อยแล้วอะไรที่ทำให้เธอคิดว่าระพิงจะไม่ผ่านเข้าไปที่ภูเขานิลการลเชถาถามขึ้นพร้อมกับพยายามจ้องหน้าในเงามืดดารินอึ่ง เราจะบอกกระทุกคนในขณะนี้ได้เลยว่าในความฝันที่ผ่านมาหยกหยกก่อนหน้าพายุลูกเห็บจะโปรยกระหน่ำลงมาเล่นงานคณะทั้งหมดนั้นเงาทายได้มาส่งข่าวบอกกระหล่ว้แล้วเช่นนีน้ที่สุดก็ถอนใจลึก อ, อีกครั้งตอ บ, บ่ายเบี่ยงไปว่าไม่สังหรณ์ค่ะก็เพียงแค่สังหรณ์เท่านั้นแหละว่าเขาจะไม่ผ่านไปที่นั่น เราคงไม่ได้พบเขาที่นั่นหรอกค่ะแล้วคงจะต้องเหนื่อยยากบากบั่นกันไปอีกไกลแต่น้อยก็ไม่คิดว่าพวกเราทั้งหมดจะไม่ผ่านเมืองวายาเราต้องมุ่งไปที่นั่นก่อนเพื่ออย่างน้อยก็พบมิตรเก่าของเราคือวายาและไพร่พ ล, ลิงของเขาแล้วก็เข้าไปกราบบูชามหาฤาษีผู้ประเสริฐเพื่อขอความสวัสดีแก่การเดินทางแก่ชีวิตของพวกเราทุกคน เอาไว้ถึงนครลิงซะก่อนเถอะค่ะแล้วเราก็คงรู้กันเองว่าระพินผ่านเข้ามาที่นั่นหรือเปล่าสังหรนของน้อยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระพินไม่เคยผิดพลาดพลาดเคลื่อนไปได้ทุกคนในคณะที่พูดจาหารือกันอยู่ในขณะนี้พากันเงียบลงอีกครั้งจริงอย่างที่หนานอินบอกไว้ต่อมาอีกชั่วไม่นาน พายุและลูกเห็บที่ระดมซัดกระหน่ำลงมาก็ค่อยๆสางซาลงเหลือไว้แต่ปลายหางลมที่พัดผ่านบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งผ่อนความรุนแรงลงตามลำดับเมื่อนั้นนานอินจึงลุกขึ้นออกไปตรวจสอบสถานที่รอบๆที่พักอันกลาดเกลือนไปด้วยก้อนน้ำแข็งใสๆสันฐานลักษณะต่างๆกัน ซึ่งศาสตร์ประกายกระทบกับลำไฟฉายเป็นประกายวาวูบวาบไปหมดความหวังที่จะก่อกองไฟที่เคยก่อไว้ตลอดจนท่อนฟืนก็ถูกพายุพัดกระจัดกระจายออกไปหมดเชิฐาหรือคนเครื่องป้องกันความหนาวขนาดกระเป๋าลักษณะเป็นกล่องโลหะแท่งสี่เหลี่ยมขนาด3คูณสนิ้วสร้างพลังความร้อนด้วยไฟจากแบตเตอรี่แห้ง ซึ่งมีติดสัมภาระมาด้วยประมาณครึ่งโหลเปิดสวิตเพื่อให้ตัวกลักโลหานั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่บุคคลที่มือฝ่ามือและร่างกายส่วนอื่นๆหนาวจนชายเย็นไปหมดเพื่อใช้เครื่องทำความอุ่นนั้นช่วยบรรเทาแทนกระเป๋าน้ำร้อนก็ส่งไปให้น้องสาวคนเล็กอันหนึ่งแต่ล่อนเอาไปยื่นส่งต่อให้แก่ลูกหาบหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งกําลังถูกรทรามานด้วยความหนาวเย็นจนแทบกระดิกตัวไม่ได้บอกให้มันประคองกาไว้ในฝ่ามืออันแทบจะเหยียดนิ้วไม่ออกผังรูปศีรษะอย่างปราหนีไม่ต้องกลัวหนาวจนขาดใจตายหรอกนะไงไงประเดียวก็หายเอาแนบไปกระอกด้วยแล้วหัวใจของเธอจะอุ่นขึ้นเองหล่อนบอกแล้วเดินถือไฟฉายส่องกราดตรวจบริเวณ ตามหลังหนานอินต่อไปเชธาชัยันและอนุชามองตามหลังดารินไปด้วยความประหลาดใจในความทรหดอดทนเกินกว่าที่จะเชื่อได้ของหล่อนแล้วต่างก็ก้าวตามหลังออกมาด้วยนี่น้อยเธอแข็งแรงแล้วเกินนะในขณะที่คนอื่นๆแทบจะแข็งตายดูเธอเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเลยนะชยยันทักออกมาเบา ฉันก็หนาวจนแทบแข็งเหมือนกับทุกทุกคนนั่นแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่หัวใจร่างกายมันไม่มีอิทธิพลเหนือไปกว่าพลังใจของมนุษย์เราไปได้หรอกฉันเคยถูกฝึกมาฝึกมาอย่างนี้ในการเดินกระพินครั้งนั้นอะหล่อนตอบแผ่วเรียบดวงตาศาสตร์ประกายฮึดสู้สุดใจขาดดิ้นมองตามแนวไฟที่ส่องตรวจบริเวณออกไปด้วยความรู้สึกอันไม่มีใครทานายได้ถูก อนุชาวาราฤทธิ์เข้ามาโอบไหลน้องสาวไว้ตบเบาๆนี่น้อยถ้ารพินได้มารู้เห็นสภาพของน้อยเช่นนี้เขาคงจะภูมิใจในตัวน้อยมากล่ะในข้อที่ฝึกสอนประสิทธิ์ประสาทอะไรไว้ให้ก็สามารถดำเนินตามเขาได้ทั้งหมดดารินฟักบุรีออกมาคาบและขีดไลเตอร์แบบซิโป้สว่างวูบขึ้นลนจอปลายบุรีช้า และพ่นควันสีเทาให้กระจายผ่านหน้าไปด้วยกระแสลมแรงเร็วร่างเพียวระหงนั้นยืนทำงานปักหลักนิ่งอยู่กับที่อย่างไม่ยี่รากระสายลมที่หนาวเหน็บเจ็บจิตมองดูเหมือนสภาพแกะสลักด้วยหินของเทเพียงความเด็ดเดี่ยวอาจหารและเสียสลักมันช่างเป็นคนลั ก, ลกษณะกันเหลือเกิน กับมอราชวงศ์หญิงดารินวราริศที่อยู่ในชุดเลื่อมสลับลายแพรท่ามกลางแสงสีแห่งนาครธรรมจนกลุ่มพี่ๆที่จับตามองอยู่บังเกิดความพิสวงลึกลับน้องสาวคนนี้บทจะแร่งขึ้นมาก็ยิ่งกว่าผู้ชายอกสามโซมากนัก